สถ้วยแกล้ากล้าพูดจาองอาจสี่ถ้วยเก่งกาศผ้าขาดไม่รู้ตัวห้าถ้วยเมา ม, มัวพูดไม่กลัวความผิด 6. ถ้วยมีริ์พูดผิดทุกทำเจ็ดถ้วยมืดคล้ำ ม, มือคลาหนุนทางแดถ้วยเอวบางพี่เห็นช้างเท่าหมูเก้าถ้วยโอ้ว่าชมตรูสุดรู้สุดคิดสิบถ้วยมืดมิดสิ้นริพี่แล้วเจ้าแก้วเ อ, อ้ย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 ชื่ออะไรบ้างอะครับโปรดกุณาบอกบ้างถ้าจําได้อ๋อชั้นล่างเขาเรียกว่าย่าพระสุริยสีชั้นกลางอัคคีพินาศชั้นบนพิฆาตภัยรีโอ้โหชื่อกลองนี่คล้องกันหมดเลยนะครับอ๋อชั้นล่างเนี่ยก็ตีเป็นปกติทุกเย็นค่ำสิครับตีบอกเวลาย่มค่ำส่วนชั้นกลางถ้าเกิดไฟไหม้ถึงจะตีถูกไหมฮะ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 ฉันจะเล่าเรื่องเที่ยวโรงหวยก่อนพวกที่ไม่ได้กินเหล้านะใจไม่กล้าเดินก้มหน้าอยู่กลางถนนไม่กล้ามองเข้าไปในสวนหลอกกลัวจะเจอเอาพูดผีปีศาจเข้าพอพ้นไปได้ก็ข้ามสะพานมอญเข้าสู่ถนนเจริญกรุงผ่านทางด้านของสี่กักพยาก่อนแล้วก็มาผ่านสนามน้ำจืดที่เป็นโรงหนังเฉลิมกรุงเดี๋ยวนี้แหละด้านตรงข้ามนี่ก็เป็นวังเกาคือที่เป็นตลาดบาเพ็ญบุญนั่นแหละ